ย1 11. ใครจะเป็นาธาตุก็เป็นเรื่องใจตนอัตมาอัตตาซึ่งเป็นการรู้แจ้งรู้จริงความจริงว่าอัตตาคือเจ้าของความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนแต่ละคนที่มีอิสรภาพแท้มีสติเป็นใหญ่หรือเป็นอธิปไตยในความเป็นชีวิต และปัญญาเป็นยิ่งหรือเป็นอุตระในความเป็นชีวิตสำหรับผู้มีสติปัญญาที่ได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถทำมูลราก Genesis o r ริ i n แห่งชีวิตให้สะอาดจากมารชำระจิตใจของตน หรือกรรมจัดกิเลสในใจตนได้อย่างสำ ม, มาทิฐิผู้นั้นก็จะมีชีวิตตามสติปัญญาที่เป็นอาริยะของตนด้วยอิสระเสรีภาพสูงสุดอันติมาอัลติเมตสัมบูรณ์สุดแอฟสลูดส่วนใครจะยอมเป็นทาสคือ มอบอิสระของตนให้แก่ใครก็เป็นเรื่องของตนซึ่งตนก็คืออาตาหรืออาตมา น, นั่นเองเช่นเราจะมอบอิสระภาพของตนให้แก่พระเจ้าหรือขอเป็นทาสของพระเจ้านั่นก็เป็นเรื่องของตนอัตาจริงๆ ซึ่งก็ควรเป็นอย่างยิ่งเพราะพระเจ้าแท้ๆนั้นจะไม่มีส่วนเศษใดๆแม้แค่ทุลีละอองของความเป็นเศษชั่วเศษทุก์แม้แต่เศษทุรีละอองแห่งความหลงผิดโมหะใดๆสำหรับาศาสนาพุทธ และเป็นพุทธผู้มีพระเจ้าในตนเองแท้จริงที่สัมมาทิฐิถ้าหากมีชั่วแม้แค่เศษธุลีชั่วมีทุกข์แม้แค่เศษธุลีทุกข์มีความหลงผิดแม้แค่เศษธุลีแห่งความหลงผิดนั่นก็คือยังมีอำนาจมารหรืออำนาจซาตาน ที่บังอาจแฝงแข่งอำนาจพระเจ้าอยู่ดังที่ได้วิจัยกันมาคร่าวๆแล้วจึงเป็นปัญหาอยู่แค่ว่าจะทำอย่างไรให้พ้นอำนาจมารหรือซาตานอย่างเด็ดขาดสมบูรณ์ไม่ให้มารแฝงตัวอยู่ในตนหรือในอัตตาของเรา จนประลาศนาการไปสิ้นเกลี้ยงแล้วมารซาตานก็ไม่มีอำนาจคอยบังคับเราทำชั่วหรือมีทุกข์หรือหลงผิดได้ต่อไปจนกระทั่งเราอิสระเสรีภาพสูงสุดสมบูรณ์ความสำคัญยิ่งจึงอยู่ที่ว่า พระเจ้าจะขจัดมารหรือซาตานในตัวของเราได้ไหมหรือว่าเราเองจะขจัดมารซาตานในตัวของตนเองได้สำหรับพุทธนั้นเพื่อตนเองมีอิสระในตนเองแน่แท้